วันนี้ก็เป็นวันปฏิบัติธรรมนที่นัเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นต้นเดือนของทุกเดือนเราก็มีการปฏิบัติธรมรมแล้วก็มีความตั้งใจว่าถึงวันที่เราดันหมายกันนี้เราก็มารวมกันในบางครั้งก็อาจจะมีหมู่คณะต่างๆ ก็ได้มารวมกันพร้อมเพียงกันในการปฏิบัติธรรมในเสาต้นเดือนเป็นการที่เราจะได้มาฝึกจิตหรือมาพัฒนาจิตของเราให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไปทำไมเราจะต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนะคำว่าธรรมธรรมนี้นี่คืออะไรนะธรรมนี้ก็ รวมทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียกว่าธรรมนั้นจะเป็นธรรมฝ่ายกุศลก็เรียกว่าอาคุศ ล, ลธรรมฝ่ายกุศลก็เรียกกุศลลธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติพัฒนาจิตของเรานั้นให้มีธรรมยิ่งขึ้นจึงหมายถึงเอาในการละอกุศลลธรรมจเจริญในกุศลลธรรมและวก็ทำจิตให้มีปัญญา ปล่อยวางในรูปประธรรมนามประธรรมทั้งหลายเพราะนในชีวิตของคนเราที่เกิดขึ้นมาเราก็ปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์องส์สมเด็จพระสาสดาพาระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตัดสอนทางประพฤติปฏิบัติที่จะให้พวกเรานั้นมีความสุขความสงบ สมควรแก่การดำรงชีวิตของเราอยู่ตามสภาวะความเป็นอยู่เช่นเมื่อเรานั้นอยู่ในเพศของคารวาสมีกิจการหน้าที่มีครอบครัวก็ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าประการมีทานมีศีลมีการภาวนาเพราะว่าทานศีลในการภาวนานี้ จะเป็นหนทางจะเป็นทางที่จะนาจิตของเรานี้ให้พบกับความสงบสุขและจะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นไปสู่แดนโลกุตระภูมิอันเป็นภูมิที่อยู่เหนือโลกภูมิจิตที่อยู่เหนือโลกได้ ในเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วจิตของเราก็อยู่ในโลกมีความยึดมั่นถือมั่นตัวเราของเราอยู่มมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ถ้าไม่มีการรู้จักการเสียสละเราก็จะมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นในใจองค์สมเด็จพระศีสันเพชรพระบุทธเจ้าของเราจึงสอนให้พวกเรานั้นรู้จักการเสียสละ ทั้งภายนอกภายในการให้ทานถวายในจตุปัจจัยทายทานตลอดจนว่าทานภายในคือการให้อภัยทานในจิตใ จ, ใจของเราเมื่อเราทำหน้าที่อันนี้ได้ดีสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจิตของเราก็รู้จักการเสียสละเป็นปกติจะเห็นได้ว่า อิจของเราจะมีความรู้สึกว่าเบ า, เบาถ้าเราได้ทรัพย์ทั้งหลายมาแล้วเรามีแต่ความยึดมั่นถือมั่นไปหมดมีแต่ความโหยหวนแหรืล้วมีความตันหนีที่เหนียวอย่างเดียวแล้วแทนที่ทรัพย์นั้นจะทําให้เกิดประโยชน์ก็จะพาะพูนความทุกข์ยากลาบากให้กับใจของเราด้วยถ้าเราเป็นผู้ฉลาดเราก็ปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอน ให้มีการเสสละมีการให้ทานเป็นปกติในสัปดาห์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็เรามีศีล5สัก1วันให้ครบถ้วนสมลบูรณ์บริบูรณ์ที่เหลือนั้นอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างก็ให้พิจารณาเลื่อยไปจนว่าศีล5้านั้นของเราจะมีได้มากวันขึ้นนักษาได้ดีขึ้นจนสามารถสมบัตทานได้ โดยที่ไม่มีเจตนาที่จะร่วงละเมิดความความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่นหรือตัวเองเมื่อเราครอบควบคุมกายวาจาของเราได้ดีเช่นนี้เราก็จะมีความสุขพอสมควรเหมือนกับมีต้นไม้ต้นหนึ่งมีใบหนาพอที่จะบังแดดหนบแดดหลบฝนได้ ถึงเก่ยมไม่ได้รับความสุขอย่างเดียวแต่ความทุกข์ก็ไม่มากมายนักแต่ถ้าใจของเรานะ่ไม่มีศีลก็เหมือนต้นไม้นะที่มีใบน้อยและยิ่งไม่มีทานด้วยแล้วก็เหมือนต้นไม้ที่มันไม่มีใบเลยเมื่อฝนตกลงมาเมื่อแดดออกมาก็ยอ่ยอมได้รับความทุกข์ยากลำบาก แสงสาหัสการดำรงชีวิตอยู่ในคาราวะของเราเมื่อเราต้องการความสุขในชีวิตโดยการยึดหลักของการประพฤติปฏิบัติตามคมสอนของของค์สมเด็จพระาศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ก็จะเทศอบรมว่าให้เรานั้นมีทานมีศีลอยู่เสมอ ให้มีความศิล น, นี้มีความสมบูรณ์ขึ้นเพื่อพระยะบุคคลในเบื้องต้นท่านงว่าเป็นผู้ที่มีศิลป์ที่สมบูรณ์พระรยะบุคคลเบื้องกลางนั้นก็มีสมาธิที่สมบูรณ์พระอรหันต์นั้นจะมีทั้งศิลสมาธิปัญญาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ในเบื้องต้นเมื่อเรามาฝึกหัดหรือมาปฏิบัติ ที่จะทำให้ศีลสมบูรณ์ในเบื้องต้นนั้นในสภาวะปกติที่ไม่มีอารมณ์เข้ามาเร า, เาตั้งใจสมทานศีลเราก็รักษาศีลได้แต่เมื่อมีอารมณ์เข้ามาแล้วมีคนเขาว่าเขานินทาว่าร้ายเราก็ดีตลอดจนจะคิดทำร้ายหรือจะทำร้ายเราก็ดีตรงนี้เราก็จะต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมให้ดี แม้ในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันก็มีโจรที่พ้นค่าชิงทรัพย์ทั้งหลายถูกเจ้าหน้าทีต่ตามล่ามาแล้วเข้าไปในอารามกําลังจะถูกทําร้ายถึงชีวิตก็ไม่มีที่พึ่งพระภิษุสงฆ์จึงสอนให้สมทานศินห้าเขาจะทําร้ายเขาจะฆ่าก็ให้ตั้งมั่นอยู่ในสินพระโจร น, นั้นไม่มีที่พึ่งอันใดแล้วยังไงก็ต้องตาย ยังไม่ยอมต่อสู้อะไรตั้งมั่นอยู่ในศีลหประการก็นี่ก็เป็นความดีสุดท้ายก่อนที่ชีวิตจะหมดไปก็มีอันทีสองเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะในช่วงนั้นตั้งมั่นอยู่ในศีลปรับกรรมเก่านั้นยังไม่ได้ให้ผลแต่ความดีให้ผลก่อนตายถึงนั้นไปแล้วก็กไปสุขติพบก่อนแต่กรรมที่เคยทำนั้นก็จะต้องติดตามเข้าไปอีก หมดจากบุญที่ให้ผลเมื่อบาบให้ผลแล้วก็ย่อมจะได้รับผลเป็นทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อบวกเราเนี่ยมีความเชื่อมีความเลื่อมใสหรือว่ามีศรัทธาในเบื้องต้นเมื่อเรามีความเชื่อมีความเลื่อมใสเช่นนี้ต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็พากันปฏิบัตินี่ความเพียรพยายามอันเชื่นว่าวัน เสาต้นเดือนเราก็มาปฏิบัติธรรมมาภาวนามาศึกษาฟังธทำ ต, ตามการเวลาก็เป็นมงคลของชีวิตของเราเมื่อเราได้รู้จักการเสสละก็เป็นมงคลของชีวิตการที่พวกเราสมาทานศีลก็เป็นมงคลของชีวิตการที่เราเนีมาเจริญสมาธิก็เป็นมงคลของชีวิต ทนนี่เรามีปัญญาพิจรารณาตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็เป็นมงคลของชีวิตของเราเอเห็นมว่าเมื่อเราได้มาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็เกิดมงคลของชีวิตขึ้นเราห ล, หลายสิ่งหลายอย่างในมงคลส3วปประการที่พระท่านสวดมงคลนั่นนะเป็นภาษาบาลีเมื่อเราตั้งตวนเอาไว้ชอบประกอบด้วยอประโยชน์ก็เป็นมงคลของชีวิต การที่เรามาปฏิบัติธรรมก็ถ้ากิดเราครบบัณฑิตเราไม่คบกับคนที่ไม่ดีก็เป็นบุญคลของชีวิตการราพบพระพเจ้าพระธรรมประสงค์ก็เป็นบุญคลของชีวิตของเราอีกพระเจ้าจึงตัดเอาไว้ในเบื้องตน้นว่าอาศวนาจภาระนังบัณฑิตตา น, นันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเองตมัมมังคารบุตรมังในมงคลสามสิบประการในข้อแรก นะการไม่คบกับคนที่ไม่ดีหนึ่งการไม่คบคนพาลทั้งภายในและกัพาลภายนอกที่จะชักจูงของจิตของเราให้ไปทำแต่สิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมพบกับบัณฑิตพบกับใจของเราที่เป็นฝ่ายกุศลใจของเราจะเป็นฝ่ายอกุศลเราก็ไม่คบด้วย พยายามละจิตใจเช่นนั้นไปพยายามขม่มความรู้สึกเอกุศลและจิตเอาไว้ไม่พูดตามไม่ทําตามไม่ปฏิบัติตามไม่คิดตามคบกับใจของเราที่เป็นบัณฑิตที่ชักนําให้เราสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลก็คือระบาบบําบเพ็ญบุญทําจิตใจให้ผ่องใสนั่นเอง เมืราบูชาองค์สมเด็จพระสัสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรมรม迦เจ้าพระสังฆเจ้าแล้วก็เป็นบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยในทางธรรมะบูชาท่านแล้วในการตัดสรุปของท่านในความบริสุทธิ์ที่คุณของสมเด็จพระสัสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพราะองค์นั้นมีจิตใจที่เป็นบริสุทธิ์ที่คุณจริงๆ ไม่มีกิเลสอวิชชาฐาหาอุปทานเครื่องเศร้าหมองในจิตใจด้วยพระปัญญาคุณอันแหลมคมไม่มีใครสามารถที่จะเอาชนะอวิชชาฐานาอุปทานได้เลยด้วยตนเองภาษาวกนั้นไม่มีปัญญาก็ต้องมีปัญญาเกิดจากการได้ฟังธรรมะได้รับคำสอนจากพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเถึงจะรู้ได้ไม่สามารถจะรู้ได้เอง แม้ว่าจะมีวั ส, สนาบา ร, รมีเต็มแล้วก็ตามแต่ก็ต้องได้รับคําสอนอย่างเช่นพระครัสส า, า, าวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายพาระสารีบุตรพระมหาเถระพระครัสาวกเบื้องขวาพาระมหาโมคแณนเถระพระอครัสสาวกเบื้องซ้ายก็ตามในฟังธรรมจากพาก ร, าากระสัจจเถระว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นแหะเกิดจากเหตุเกิดจากปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไป ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพระสารีบุตรก็ได้มาบอกพระโมคคะราณะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันแม้ว่าจะมีวาสนาบรมีเป็นถึงอัครส า, าวกแล้วต้องได้ฟังธรมรมจึงจะเกิดปัญญาไปคิดเองให้เกิดไม่ได้มีแต่งองค์สมเด็จพระสัสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่มีพระปัญญาคุณอันหาประมาณไ่ได้ ไม่มีใครที่จะเสมอเหมือนต้องสร้างบารมีมนับพบนับชาติไม่ถ้วนบอมเพนบารมีเป็นบารมโพธิสัตว์อันยาวนานในพระตาสงสารถึงแม้ด้รับพยากรแล้วต้องสร้างบารมีไปถึงส6่ระสง์ขายแสนกับนะยาวนานมากที่พระองค์กว่าจะได้มาตรัสรุนนี่ไม่ใช่ง่าย เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์เนี่ยได้ตรัสรู้ในธรรมแล้วได้วางหลักปฏิบัติได้สอนพวกเราแล้วทางนี้เป็นทั้งทางแห่งความสุขเป็นทั้ทางแห่งความเจริญอันนี้เป็นท้ทางแห่งความเสื่อมเมื่อพวกเราตั้งตนเองอยู่ในความไม่ประมาทนั่นแหละเราก็เป็นมงคลของชีวิตอีกหนึ่งประการเหมือนกันที่จะพยายามประพฤติปฏิบัติหรื้อมาฝึกกิต ของเรานั้นให้มีความเจริญขึ้นไปเพราะจิตของเราเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกกันเหมือนต้นไม้ไม่ได้รดน้ำพ่ดินแล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยดูมแมลงให้ดีมันก็ย่อมจะเหี่ยวเฉาไปเรื่อยๆเมื่อถูกแดดที่มีความร้อนมากๆมาแผดเผาต้นไม้ต้นไม้นั่นก็ไม่สดชื่นมีแต่วันที่จะเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายไป การที่เรามาบำรุงรักษาใจของเราให้มีธรรมะก็จะมีความชุ่มชืนใจเมื่อบานใจอิ่มใจและมีความสุขใจขึ้นมาจากการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งเมื่อเรามาฝึกการเจริญสมาธิภาวนาจิตที่เคยฟุ้งซ่านลาคาญใจปรุงแต่งทั้งหลายนั้นหมดไปจิตมารวมนิ่งสงบมีกรหมหายใจ อาจจะมีอาการของกายนี้รู้สึกว่ามันโยก ค, คงหนับตาอยู่แต่เหมือนกับร่างกายมันโยกไปโยกมาหรือบางครั้งมันหมุนติว้วลมันก็ลูกคางก็มีมีอาการหลายสิ่งหลายอย่างปรากฏขึ้นเนี่ยเราก็อย่าไปสนใจกับอาการเหล่านั้นถ้าเราทิ้งลมหายใจสติที่เรากำหนดอยู่กับลมหายใจแล้วไปดูอาการที่เกิดขึ้นนั้นสติของเรา จะถอนออกมาสมาธิก็จะไม่ตั้งมัน่นอันนั้นเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้หรือว่าจิตของเรามันจะเริ่มปรับศูนย์ขึ้นมาแล้วที่มันเคยยึดมั่นถือมั่นในกายแต่ตอนนี้มันไหวตัวเองที่จะออกจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายสู่ความสงบมันก็จะมีอาการเบื้องต้นมีกายโยกโควงบ้างบุ่นบ้างแต่เมื่อเราได้ผ่านจุดนี้ไปแล้ว จิตของเรานั้นก็จะสงบเข้ามาเป็นสมาธิอาจจะมีอาการหลายจริงหลายอย่างหลายประการดังผู้ที่มีประสบะการณ์ปฏิบัติอาจจะกายนี้มันหายไปเทละส่วนหรือมันลอยขึ้นไปกลางอากาศในความรู้สึกของจิตมากายของเราลอยขึ้นไปขยายใหญ่มาเต็มสลาอนี้ก็ได้หรือมันจะมีปีติเกิดขึ้นมา น้ำตาไหลกายโยกโค้งขึ้นมาแต่รู้สึกว่ามันจะอิ่มใจขึ้นมามีความอิ่มใจขึ้นสุขใจขึ้นมาเมื่อความอิ่มมันเต็มที่มันก็รู้สึกว่าสุขใจขึ้นมามีการรวมเข้ามามีความแน่นเข้ามาจิตก็มีขอบเขตไม่ได้คิดออกไปกว้างนี่ผลจากการทําสมาธิในเบื้องต้นเราก็จะรู้สึกว่าสบายจะรู้สึกว่ามันร่องโป่งไป เพราะว่าจิตนั้นไม่เข้าไปยึดในสังขารร่างกายมันก็มีอาการเบาเมื่อจิตของเรามีความยึดในร่างกายจึงรู้สึกความรู้สึกในร่างกายเกิดขึ้นมาบางครั้งนั่งไปแล้วกายเนี้ยจะหายไปเลยความรู้สึกว่าไม่มีกายจิตสว่างไสวสงบนิ่งเป็นสมาธิในักปฏิบัติเนี่ยเมื่อเราฝึกจิต ของเราก็จะพบกับความสุขอีกชนิดหนึ่งไม่เกี่ยวกับความสุขข้างนอกเป็นความสุขที่เกิดจากกิจที่สงบเป็นสมาธิก็ยังมีความสุขขนาดนี้มีความอิ่มใจขนาดนี้ถ้าเราเห็นผลของการปฏิบัติอย่างนี้ศรัทธาที่เรามีความเชื่อต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมีมากขึ้นบริยะความเพียรของเรานั้นก็จะเป็นเอง อารมณ์กุศลของจิตก็จะเตือนจิตเองให้เดินยากรมให้นั่งสมาธิในวันหนึ่งต้องนั่งสมาธิฝึ ก, กจิตมีสติให้รอบคอบเข้าสู่ความสงบให้ได้อาจจะนั่งไปชั่วโมงหนึ่งอาจจะสงบไป10นาทีก็รู้สึกว่ามันโล่งมันป่งสบายวางภาระหน้าที่วางอารมณ์ทั้งหลายทั้งวันน่ยที่เรารับรู้มาปรุงแต่งในการทำเบริจการงานนั้นออกไปได้หมด แต่ถ้าเกิดหลา ย, ลายวันเนี่ยเราก็ไม่ได้นั่งไม่ได้สวดมนต์ภาวานาไม่ได้นั่งแล้วอารมณ์มันจะทับถมจิตใจของเราเรื่อยไปความรู้สึกในใจของเรามันจะหนักขึ้นไปทุกวันทุกวันยิ่งถ้าหลา ย, ลายวันไปนะถ้าเราเคยรับรู้เรื่องของสมาธิแล้วด้วยยิ่งจะเห็นว่ามันหนักมากเกินไปที่เราจะรับเจวันสิบวันสิบห้าวันเราไม่ได้สวดมนต์ภาวานาเลยอย่างนี้ จิตใจของเราจะรู้สึกว่ามันไม่สงบมันวุ่นวายอย่างนี้แล้วเราก็ต้องพยายามละหาโอกาสหาเวลามาปฏิบัติอย่างน้อยเดือนหนึ่งเราก็จะต้องมาพยายามปฏิบัติของเราสัก3วันเหลือในครึ่งเดือนเราก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านเหลือทุกเสาร์อาทิตย์เราก็พยายามปฏิบัติสัก1วันเป็นการที่เราจะพยายามให้จิตของเรามีที่พัก ให้พิงมีที่อยู่ของกิจก็คือฐานของความสงบของกิจนั่นเองเมื่อเราฝึกกิจของเรานั้นให้มีที่อยู่มีบ้านที่อยู่ของกิจใจจิตของเราทั้งจะสบายเมื่อเรามีบ้านภายนอกเราก็ไปเรือนกายที่ร่างกายจะได้พักผ่อนพอบังแดดบังฝนบงังจากอันตรายทั้งหลาย อยากยิ้มจากเหลือบอยากเล่นจากรายได้จิตใจนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีที่อยู่ไม่มีที่พักพิงแล้วมันก็จะเป็นจิตใจที่มีความทุกข์เล่าร้อนไปเพราะอารมณ์ทั้งหลายเข้ามาทุกวันเราไม่ได้พิจารณาเอาอารมณ์นั้นออกไปอารมณ์ก็จะทับถมในใจของเราเรื่อยไปอันนี้เราเป็นข้อที่ว่าทำไมเราต้องมาปฏิบัติในธรรมะ สมาธิเราไม่ทั้งมัน่นปัญญาที่จะรู้ที่จะเห็นที่จะพิจารณาให้เกิดขึ้นในใจของเราและปล่อยวางสิ่งทั้งหลายได้ก็ไม่เกิดเราจึงจะต้องมาปฏิบัติมาพัฒนาดวงกิตดวงใจของเรานี้ให้มีศีลมีสมาธิปัญญาอันเป็นหนทางที่จะนำความสุขที่แท้จริงมาให้กับ ใจิตใจของเรากับชีวิตของเราในการดำรงชีวิตที่อยู่ในโลกถ้าเรามีแต่วัตถุสิ่งของภายนอกมีลาบมียศเสินเสินสุขไปอย่างเดียวเราได้แต่สิ่งที่ถูกใจใจิตใจของเราก็จะลุ่มหลงไปได้เริ่มแก่เริ่มเจ็บเริ่มตายไม่เห็นทุกข์อรจะสัตว์แต่เมื่อสิ่งเหล่านี้ที่เราถือเป็นที่พึ่งที่พิงของเราแท้จริงนั้นมันเสื่อมมันสิ้นมันเปลี่ยนแปลงไป นุม่มพชากยังยกตัวอย่างว่าเหมือนตอไม้ที่ผุผูอยู่นั้นเราไปพิงนานๆเข้ามันก็พังทลายลงมาได้ถ้าเราตั้งอยู่ในความประมาทอย่างนั้นเมื่อสิ่งเรหน้ามันพังทลายไปใจของเราก็จะไม่มีที่เพ่งที่พิงก็จะมีความทุกข์อย่างมากแสนสาหัสแต่ว่าถ้าเรานั้นได้รู้จักหาธรรมะสแสวงหาธรรมะ รู้ว่าโรกธรรมนี้มันเป็นธรรมที่อยู่ในโลกนี่แหละเกิดขึ้นมาทุกคนก็จะต้องพบกับโรกธรรมไม่เข้าไปมั่นหมายในโรคกระทนั้นพิจารณารวมลงสู่ตจลักษณ์ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตใจของเรานั้นก็ย่อมจะมีความสุขที่แท้จริงเพราะมีปัญญาลู่เท่าทันในโลกธรรมนั้นได้ตามที่พระพุธองค์ทรงสั่งสอนพระพุทธชินวรจึงมีความเมตตา กรุณาต่อพวกเราไม่ประสงค์สิ่งใดจากพุทธบริษัทประสงค์ให้พวกเรานั้นได้หมันสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีก็จะเกิดความสุขในจิตใจของเราโดยอย่างเดียวคําสอนของพระองค์นั้นเป็นหนึ่งที่ไม่ไมเป็น2ถ้าเราได้ทําตามธรรมะคาสอนของท่านเราก็จะพบกับความสุขยังคอยให้พวกเรานั้นพากัน ปฏิบัติภาวนาฝึ ก, กจิตของเราให้ตั้งมั่นในอารมณ์ของกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราฝึกฝนอบรมมีความรู้สึกว่าปฏิบัติในกรรมฐานข้อนี้แล้วจิตใจของเราสงบระงับลงได้เราก็พยายามมันฝึกฝนอบรมจิตของเรานั้นให้ตั้งมั่นอยู่ในกรรมฐานบท น, นั้นให้มากไม่ต้องหลังเลสงสัย ว่ากรรมฐ า, านบดไดนั้นจะทำจิตของเราให้สงบหรือจะเห็นธรรมาได้อย่างเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทธโธก็ดีหรือจะภาวนากรรมฐ า, านบดได้ผหนึ่งหรือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าถึงพระหมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าเป็นอารมณ์ของใจหรือจะระลึกในคุณงามความดีขององค์บรมาธิษฐ์เจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีแต่จิตใจของเราสงบระงับลงได้ เป็นสมาธิแล้วพิจรารณาให้ร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็จะเป็นทางที่จะเป็นทุกพ้นทุกในใจหรือเมื่อสมาธิตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวเพราะศรัทธาตั้งมั่นเป็นอาจารศรัทธาสมาธินี้ก็คือความตั้งใจมั่นสติก็คือความระลึกชอบเมื่อเราระลึกชอบประกอบประโยชน์คือระลึกอยู่ในกาย เมธนาจิตธรรมอันเป็นฐานหรือวสตฐิฐานฐานทั้งสี่อันเป็นเครื่องระลึกของสติของเราในการยืนเดินนั่งนอนเดิมทาพูดคิดก็มีสติอยู่เสมอในนักปฏิบัติแม้ว่าเราจะมีเวลาสองคืนสองวันก็ตามก็พยายามเราก็พูดในน้อยพูดที่มีประโยชน์แล้วก็มันฝึ ก, กจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความมีสติให้มาก เมื่อสติของเรานี่มีมากขึ้นต่อเนื่องเชื่อมโยงเหมือนน้ําที่หยดทีระหยดที่ลุงปูชาทเทศสอนว่าน้ําทีระหยดนั้นทีระหยาดเมื่อมันถีขึ้นมาแล้วจนว่าเป็นสายน้ําสติของเราเนี่ยทีแรกๆมันก็ขาดวักขาดตอนแต่เมื่อสติของเราต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปก็เป็นสายของสติดได้อย่างดี เมื่อเราพิจารณาในกรรมฐานที่เราปฏิบัตินั้นจิตของเรารวมขึ้นมาแล้วบางครั้งเราจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แหละก็เป็นสมมุติทางนั้นวัตถุสิ่งของในโลกจะเป็นแก้วแหวนเงินทองของมีค่าก็เป็นของสมมุติขึ้นมาในโลกนี้แท้ในจริงเหล่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าคนเราไปสมมุติขึ้นมาแล้วก็ไปหลงสมมุติขึ้นมา ก็จึงพากันมีความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาแต่ถ้าใจของมนุษย์เหล่านี้รู้จักรู้เท่าทันในสมมุติสิ่งทั้งหลายนี้เห็นรูปนามนั้นเป็นเพียงสมมุติแล้วจิตก็วิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาจากโลกกระทำนั้นได้ก็เห็นได้ว่าโรคนี้ทั้งโลกก็เป็นโรคของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นจิตไม่มีความปรารถนาแม้ว่าจะเป็นเจ้าของโรคนี้คนเดียวเราก็ไม่ต้องการ เพรความสุขความสงบในจิตใจที่จิตใจของเรามีธรรมะสมบัติที่เราประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านี้เห็นเด่นชัดอยู่ในใจจึงไม่ปรารถนาสมบัติอะไรในโลกั้งจะมีอยู่ใช้อยู่ก็ใช้สอยไปตามกําลังตามหน้าที่ที่มีอยู่แต่จิตก็รู้แล้วว่าสิ่งที่สําคัญนั้นก็คือธรรมะสมบัติในใจอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมีมากมายกว่าทรัพย์สินสิ่งของภายนอก บุคคลปฏิบัติมาได้อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าบา ร, รมีธรรมนั้นถึงพระโสดาบันทีเดียวเพราะว่าตั้งมั่นอยู่ในทานในศีลในภาวนาแล้วก็มีสติปัญญาได้เป็นอย่างดีองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเมื่อพระราหุขมานั้นมาขอซึ่งราชาสมบัติพระเจ้าเห็นว่ามันไม่เป็นสิ่งที่จะมีสาระแก่นสารอะไรแก่ราชากุมาร จึงจะทรงมอบธรรมะสมบัติให้ดีกว่าจึงได้นำพระราหุนนั้นพระแห่งภาษาในบุตรนั้นได้บรรพชาเป็นสมมเห็นความเห็นของพระพุทธเจ้าของเราย่อมจะแจ่มชัด <c oughs> แม้ว่า <c oughs> แม้ว่าสมบัติของบรราชานั้นก็จะเทียบเท่ากับการที่จะมาบวชเป็นสมมเห็นไม่ได้พราจะเป็นน้นทางที่จะประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะได้รู้ได้เห็นได้ธรรมะ มีพิติมีความสุขอันเกิดจากศีลเกิดจากสมาธิและกับปัญญาที่อบรมจิตนั่นเองเมื่อพวกเราได้เกิดขึ้นมาในโลกก็เป็นธรรมดาอยู่เองว่าเอาพิชาตะนา อ, อปทานนั้นย่อมจะครอบคลุมจิตใจของเราและมองหายใจของเรามองเห็นว่าโลกนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องสแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาเป็นของเราให้มากแต่ว่า เมื่อเราทําตามโมพิชาตนาอุปทานนั้นเราก็จะไม่พบกับความสุขในชีวิตของเราได้เลยเราก็จะต้องวินว่ายตายเกิด ท, ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปอีกเมื่อถึงวัยถึงอายุไขร่างกายก็จะต้องแตกสลายไปก็เป็นเวลาที่เราเสียเวลาเสียโอกาสที่ดีที่จะแสวงหาธรรมะแต่ถ้าเราไม่มีการแสวงหาทรัพย์ภายนอกเราก็อยู่ไม่ได้ในโลกแต่พระพุทธเจ้าจึงว่าให้แสวงหาได้พอสมควร แล้วก็จะต้องมาฝึกจิตฝึกใจสแสวงหาธรรมนั้นให้มากขึ้นไปตามอายุไขของเราที่เหลืออยู่ก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาใจให้สูงขึ้นจากใจของเรานี่ที่มันเกินกลในอารมณ์ที่เรียกว่าเป็นปุถุชนกลธรรมดาหนาบริกิเลสเราก็ต้องพยายามให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลมีความกันติมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ ก็เรียกว่าเหล่านั้นจะเป็นกระยาณปุถุชนเป็นปุถุชนอยู่แต่ว่าเป็นกระยาณนะเป็นบุคคลที่มีจิตใจดีงามในเบื้องตน้นกระยาณชนนี้แหละมีจิตใจดีงามแล้วมันฝึกมันอบรมในทานในสินภาวนาให้ใจของเรามีคุณงามความดีมีธรรมะอยู่เสมอในใจแล้วใจตรงนี้ก็จะเป็นใจที่มีความสะอาด ใจมีความขาวใจมีความป่องใสเพรอศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็จะมากขึ้นเพราะเห็นอยู่ในจิตใจของเราว่าแม้ว่าเราจ ะ, พะเพ้อเพ้ปฏิบัติได้เพียงแค่นี้แต่จิตใจของเรานั้นก็มีความอิ่ม อ, อกอิ่มใจในธรรมะเห็นความเป็นจริงอยู่บ้างเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสมมติบิ ม, มุต์เกิดขึ้นบรรไใจจึงมีความแน่ใจได้ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าจะทําให้ใจของเรานี้พ้นทุกข์ได้จริง เราก็จะมีความเพียรพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นไปอีกจนจิตของเรานี้ก็สงบได้ทุกเวลาทุกวันพิจารณาแล้วก็เห็นร่างกายเป็นอริจจัทุกขังอนัตตาได้ยิ่งพิจารณาเห็นร่างกายเป็สวยมปงามจิตก็ยิ่งมีความงามชัดเจนขึ้นมาในใจสมาธิตั้งมั่นปัญญาความรอบรู้ความรู้รอบก็เกิดขึ้นมาในกายนี้สิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นบ ต, ตัวเราของเราจริง แท้ที่จริงแล้วเราก็เห็นตามคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่ตัวเราของเราจริงๆเป็นเพียงรูปนามที่ม ป, ประชุมรวมกันในที่สุดก็แตกสลายไปรูปก็ไปตามรูปนามนล้วก็แตกสลายไปหาตัวหาตนหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้ยิ่งเห็นชัดแควนี้จิตของเราก็เหมือนกับว่าออกจากโลกไปออกจากโลกไปไปอยู่ที่ไหนก็อยู่เหนือโลกนี่เองไม่ได้ไปไหนก็เรียกว่าเห็นธรรมะ การเห็นธรรมะอย่างนี้ก็ยิ่งเป็นความแน่ชัดในจิตใจของเราในคำสอนของพระเจ้าได้มากขึ้นไปอีกความเพียรพยายามการปฏิบัติก็จะมากขึ้นแม้ว่าเป็นขราวาดก็ตามในสมัยพุทธกาลนั้นผู้มีอำนาจปรสนาบรมีได้พระยาบุคคลพระโสดาพระสก า, าคาพระนาคามีกมากจนถึงพระอรหันต์แล้วก็เข้ามาอภิสมบทในพุทธศาสนาก็มากมาย ไม่ใช่ว่าธรรมะจะเกิดขึ้นได้เฉพาะพระพิสูสจน์สัมมเห็นญาโยมที่บำเพ็ญภาวนาวางภาระหน้าที่ทั้งหลายที่มีอยู่แม้เพียงโชคคาโรเจนแล้วว่าภาระทั้งหลายเรือขันทั้งหลายนั้นเป็นของหนักการที่เราได้ยึดมั่นถือมั่นในในในหลายขันก็เป็นของหนักเมื่อระวางค ง, งได้เนื่อแต่ขันห้าของเราระวางขันห้าของเราได้อีกก็จะรู้สึกว่าเป็นความเบา เป็นความเบากายเป็นความเบาใจโล่งปร่งใจเป็นอย่างมากเมื่อเราได้เพิ่เพิ่ปฏิบัติแล้วใจของเรานั้นก็จะมีความรู้สึกทนทานต่ออารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาได้แม้ว่าความหนาวความร้อนความเหนื่อยยากลำบากอย่างไรจิตใจของเราก็ตั้งมั่นได้เป็นอย่างดีสินของเราจะค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นมาแต่แรกศีนนั้นก็คือความตั้งใจที่จะรักษากายวาใจของเราให้ดีต่อมานั้น สินนั้นก็เรียกว่าใจของเรานั้นมีความตั้งมั่นของศินได้อย่างดีไม่จะต้องว่าต้องเป็นตั้งใจรักษาจะเป็นอัตโนมัติขึ้นมาสินที่เป็นอัตโนมัตินี้เมื่อรักษาได้เต็มแล้วพร้อมปัญญาเห็นโนบนามนี้เป็นอนิจจังทุกขังรัตตารวมกันเข้ามาเ ม, ม, มืรัยมรัสมังกีเข้ามาชัดแจ้งแล้วตัดสินได้แล้วว่ารูปนี้นามนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นแจ้งชัดการเห็นแจ้งชัดขึ้นมาอย่างนี้ เรียกว่าเห็นธรรมะในขณะนั้นเราก็เห็นพระพุทธเจ้าจริงๆพระพุทธเจ้าสอนเราว่ารูปนามนี้ไม่ใช่ตัวตนเราก็เห็นชัดอย่างนี้คําสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะนั้นพระพุทธเจ้าสอนมาเราก็เห็นชัดแจ้งก็เลยว่าเราก็เห็นธรรมบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตพระเจ้าตรัสเอาไว้อย่างนี้ก็ไม่มีผิดเพี้ยนเมื่อเราเห็นอย่างนี้จิตใจของเราก็ละความโลภละความโกรธละความหลงไปได้เบาบางลงไปในจิตใจของเราได้ จ, จิตใจนั้นก็เริ่มมันก็อยู่เหนือโลกเราเป็นโลกุตระซึ่งจะเกิดขึ้นได้สําหรับนักปฏิบัติไม่จํากัดเฉพาะว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงหรือเป็นพระเป็นเอ็นเป็นคาราวะก็ทําได้ถ้าเรามุ่งมั่นปฏิบัติจริงๆแต่โอกาสเวลานั้นของเรามันอาจจะมีน้อยเพราะเรามีภา ร, ระหน้าที่อยู่มากทีเดียวในการดํำรงชีวิตอยู่ของพวกเราแต่ก็พยายามอย่าละ ก, การมาเพิ่มปฏิบัติ ให้พากันภาวนาเช่นอังวิสาขามหาบาสิกานรืท่าน า, นาถาเบน ก, กาเสถียรมหาอุบาสกเป็นอนุปทาใหญ่ของผู้ได้เจ้าของเรานั้นก็เป็นพระโสดาบันบุคคลทั้งคู่ก็พระองค์เพราะว่าท่านทั้งสองได้บําเพ็ญบุญบา ร, รมีมามากพวกเราบําเพ็ญบุญบา ร, รมีในทางในศีลในภาวนาก็เหมือนอย่างเช่นท่านทั้งสองเหมือนกันโอกาสเวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อบา ร, รมีเราเต็มแล้วเราก็จะรู้แล้วก็จะเห็น แจ้งชัดมาได้จิตใจของเราได้เหมือนกันก็ขอให้พยายามตั้งจิตตั้งใจโอกาสเวลาในเดือนหนึ่งก็ดีในสัปดาห์หนึ่งก็ดีมีโอกาสก็พยายามปฏิบัติภาวนาให้มากเพราะเราอยู่บ้านก็คงจะเกินกลนไปด้วยหน้าที่การงานในอาชีพของเราโอกาสจะปฏิบัติก็ได้น้อยเมื่อเรามาอยู่วัดจึงเป็นเวลาที่มีค่ามหาศาลของเราจะได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในจิตประพฤติปฏิบัติ เช่นนี้พวกเราก็จะได้เห็นผลของการปฏิบัติในการภาวนากันก็ขอให้เจริญในธรรมพร้อมด้วยยุวนาสุขภาระปฏิภาณอนาสารสมบัติโท่าการทุกทุกท่านเถิด